ผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาสิอสสัตโธอกระตันยูจะสั้นทิเชโตจะโยนโรหตาวะ า, าโซวันตาโซเววุตตมะปุริโซแปลว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยพรุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัตตะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่คลายความหวังที่ปรุงได้แล้วบุคคลนั้นแหล เราสถาคตรเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบายความคําว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คําจํากัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อคำดีกรคำชั่วขนของกรคำดีคำชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระาศาสนายัางทรงย้ําให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงแล้วคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อ และไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองสกก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่ายความเชื่อเะนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะชักไปเพราะไม่มีเหตุผลเนของตนเองคอยอ้างนันอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อเช่นนั้นท่านเรียกว่าจรสศัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวันไหวคลอนแคลงส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระรัตนตรยัย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 ย่อมดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอาัคตัอยูในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ท้าอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาสนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ในพระพุทธศาสนาท่านแบง่งธรรมออกเป็นสองลักษณะใหญ่คือ 1> 1. สังคต ธ, ธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ได้แก่ธรรมทั่วทั่ไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังคต ธ, ธรรมนี้อริยมรรคมีองค์แปดเป็นเลิศสออสังคต ธ, ธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำมีความเมามะทะนิมมาทะโนนำความกระหายออกปิปาสะวินโยถอนอาลัย อารยะสักมุคาโตตัดวัตตะวัตูปัชเชโดสิ้นตันหาตันหัคโยสมรอกราคะวิราโคดับทุกนิโรโทคำว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวตัตตะสาคือหนึ่งกรรมวัตรสองวิปากวัตรสกิเลสวัตร กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลมหลงได้รับผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระขีณาสพตัดวัฏฏะได้แล้วการกระทำของท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาป ก, การให้ผลของบุญเป็นอันสิ้นสุดกันวัตฏะสามไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไป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 ในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณวัดเชจวันวิหารทรงปรารบพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30สรูปไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์และปฏิสัมพิธาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสเรียดระษาริบุตรมาแล้วตรัสว่าสาริบุตรอินทรีห้ามีสถาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแต่อินทรีห้ามีสถาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่เจริญสมถะและวิปัสนาสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลมีอยู่หรือสาิบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้ พระสารีบุตรกราบภูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทําให้แจง้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินทรีห้ามีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่าอินทรีห้ามีศรัทธาเป็นต้นมีอมะตะเป็นที่สุดก้าวลงสูงออมะตะอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ ไม่ได้อบรมอินทรีห้ามีสถาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลภิกษุทั้งหลายฟังแล้วโจทกันว่าวันนี้พระสารีบุตรแก้ปัญหาผิดและไม่เชื่อแม้ในพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับประถานนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่เชื่อกมและผลแห่งกำก็หาไม่ไม่เชื่อในคุณพระรัตนตรายก็หาไม่ แต่สารีบุตรไม่เชื่อบุคคลอื่นในธรรมคือยานวิปัสนามรรคและผลเพราะตนได้แทงตลอดแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปดังนั้นใครๆไม่ควรติดตีนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพระภาสิทว่าอัสโทอกตันยูจักเป็นอาธิปมีนัยยะดังพณ น, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาทิศุลสามสิบรูปผู้อยู่ป่าเป็นวัด ได้สำเร็จพระอาหารหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย